ทีนี้มาถึงปัญหาข้อที่สามที่ถามว่าอะไรเป็นสภาวะของศีลใช่ไหมถามถึงสภาวะก็คือถามถึงลักษณะนั่นเองลักษณะกับสภาวะไม่ต่างกันนะว่าเออศีลนี่มีอะไรเป็นลักษณะมีอะไรเป็นรัศกรมีอะไรเป็นอาการปรากฏอาการปรากฏ ก, ก, ก็คือปัจจุปฐานมีอะไรเป็นปัทฐานในหน้ายี่้านะ หน้า25ข้อ8เนี่ยเป็นการตอบปัญหาข้อที่3ปัญหาข้อที่1ถามว่าอะไรคือศีลปัญหาข้อที่2ชื่อว่าศีลเพราะอัตถาว่าอะไรปัญหาข้อที่3ว่าอะไรเป็นลักษณะรสปษะจุประธานประทัฐานของศีลคาตอบว่าศีละนะเป็นลักษณะของศีลนั้นนะศีละศนะีลล ะ, ะคือ จำบาลีก็ดีนะสมาทานังกับอุปธารนังแล้วก็ค่อยๆหาคำอธิบายไปถ้าทรงจำบาลีก็ดีนะเพราะจะช่วยได้เยอะนะสมาทานังก็คือการตั้งไว้ด้วยดีอุปธารนังก็คือเข้าไปทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นสองสองคำนั่นแหละรวบแล้วเรียกว่าศีละนะศีละนะนั่นแหละเป็นลักษณะของศีลแม้แตกต่างกันโดยประเภทเป็นอเนก ศีลเนี่ยนะเยอะแ ย, ยะนะใช่ไหมศีลเนี่ยโดยประเภทนะโดยชื่อเนี่ยเจตนาก็าเป็นศีลเจตสิกก็เป็นศีลสังวรก็เป็นศีลอะวีติกรมะก็เป็นศีลเป็นเอเนกประการเลยมีตั้งสีอย่างนะอนเนกแปลว่าไม่ใช่หนึ่งเอกะนี่แปลว่าหนึ่งนะนะเอกะก็เลยไม่ใช่หนึ่งเขาว่างั้นมีหลายอย่างไม่ใช่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอะวีติกรมะศีลถึงศีลเนี่ยนะ จะมีมากมายแบบนั้นก็นตามลักษณะของเขาคือศีละณะเท่านั้นคือคําว่าศีระณะคือรองรับคุณธรรมชั้นสูงเท่านั้นแหละถึงจะมีขนาดไหนก็ช่างเถอะเปรียบได้กับความเป็นสัท ส, ส, สนิทสันิทัศนะเป็นลักษณะของรูปที่แตกต่างกันโดยอเนกประการที่จริงคําว่ารูปายตนะเนี่ยนะหรือสนิทัศนะเนี่ยนะก็คืออารมณ์ของจกักรคูวิญญาณ อารมณ์ของจักรคูวิญญาณทั้งหมดในโลกนี้เรียกว่าสนิทัสนะหรือสีใช่ไหมสีมีสีเดียวไหมสีในโลกนี้มีสีเดียวไหมคุณรุงแม่สีมีกี่ตัวหนึ่งสีอะไรบ้างแม่สีสีแดงสองสีน้าเงินสามสีเหลืองครับแม่สีมีสามสีนะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาสีในโลกมีกี่สี โอ้ยเยอะแยะไปหมดนับไม่หวาดไม่ไหวเลยนะสีในโลกนี้ไม่มีจบมีสิ้นว่างัน้นนะสีวิจิตจริงๆนะคนเกิดมาหนึ่งล้านคนเนี่ยสีไม่เหมือนกันสักค น, นนะเนี่ยนะโหจอดเท้าเนี่ยไปไล่ดูเลยเหมือนกันสักคน น, นะเราเห็นท้องนาเนี่ยนะที่มันกว้างใหญ่ไพศาลอย่านึกว่ารวงข้าวเหมือนกันหมดนะรวงข้าวแต่ทรวงไม่มีเหมือนกันสักอันวะ ใครปลูกกุหลาบเนี่ยนะเอาดอกกุหลาบตัดตัดทั้งสวนเลยนะมาดูดอกกุหลาบไม่มีเหมือนกันทั้งอั น, นคล้ายคลึงกันบ้างแต่ไม่เหมือนกันทุกอย่างคนไทยเนี่ยนะหกสิบล้านคนเนี่ยเอามาเรียงดูไม่มีใครเหมือนกันสักคนเลยเนะเอาทั้งโลกมาเรียงอกีกมันน่าจะเหมือนกันบ้างนะไม่เหมือนสรุปแล้วสีถึงจะมีมากมายขนาดไหนก็ช่างเถอะก็คืออารมณ์ของจกัญญญงจกขูวิญญาณเท่านั้นแหละต้องใช้จักรูวิญญาณดูเท่านั้นแหละเท่านะ้ เรีกว่าสันิทัสนะคือเป็นอารมณ์ของจักรคูวิญญาณใช้ตาเห็นเหมือนกันหมดอ่ะมันจะวิจิตขนาดไหนก็นตามศีลก็เหมือนกันนั่นแหละศีลจะมีเจตนานศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามะศีล น, นะถึงจะขยายกระจายเป็นวินัยปิดกขยายไปมากมายขนาดไหนก็นตามตั้งสองหมื่นหนึ่งพันระธรรมขันย่อๆแล้วก็คือศีลละนะเท่านั้นแหละลักษณะของศีลทั้งหมดเลยคือศีลลนะคือ ตั้งไว้ด้วยดีกับทรงไว้หรือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเท่านั้นเองค่าที่เป็นจริงของสีหรือลักษณะของเขาอัถาของเขามีอยู่เท่านั้นแหละเหมือนกับสีในโลกนี้นะถ้าจะว่าไปสมบัติเขาคนตาบอดเนี่ยนะเกิดมาในโลกนี้สีจะวิจิตขนาดไหนก็ช่างเถอะคนตาบอดอดเลยเนะแต่ที่จริงแล้วก็คือสีในโลกนี้สมบัติทางตาเท่านั้นเองสมบัติของตาเ่มงอนกันเถอะตาบอดสัอย่างนี่นะโลกนี้ก็ไม่มีความหมายเหมือนกันเถอะ ใครจะแต่งงามขนาดไหนนี่ก็โอ้คุณลุงแหวดสวยขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเนะถ้าตาบอดแต่อย่างเดียวเนี่ยหูหนวกอย่างเดียวเนี่ยเสียงในโลกนี่จะมีขนาดไหนใครพูดเพราะขนาดไหนก็ช่างอดเลยเห็นไหยใครจะทําน้ําหอมได้ดีขนาดไหนถ้าจะหมูกเสียแล้วหมดสิทธิ์เนี่ยทันลิ้นเป็นเหมือนกับลิ้นจระเข้นะใครแต่งอาหารอร่อยขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าเป็นอมาพฤกอมพาดไปทั้งตัวเนี่ยนะโอ้อากาศจะดีขนาดไหนก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีใจสักอย่างเนี่ยนะโลกทั้งโลกก็ไม่รับรู้สักอย่างนะอารมณ์ไหนๆก็ไม่ต้องรับรู้ถ้าไม่มีจิตนะเอาไหมดีนะนะของ่ายๆไม่ได้หรอกต้องอารยมรักมีองค์แปดนั่นแหลท่านจึงอธิบายโดยพิสดาในหน้ายี่สิบกว่า เหมือนอย่างว่าความเป็นสนิทัศนะคืออารมณ์ของจิตเห็นเนี่ยนะอารมณ์ของจักรคูวิญญาณเป็นลักษณะของรูปายตนะนะสีในโลกนี้คือรูปายตนะรูปายตนะนั้นก็คืออารมณ์ของจักรคูวิญญาณเท่านั้นแหละแม้ที่แตกต่างกันโดยอเนกประการสีในโลกวิจิตพิสดารสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินสีดําสีแดงสีแสดสีชมพูสีสรพัดเหล่านี้เนี่ยนะอย่าให้อนาคชีนามาชี้สีไม่ถั่ว จำสีไม่ได้ถ้าใครมาถามเรื่องสีนี้สีอะไรเนยไม่รู้เรียกชื่อสีนี่ยากที่สุดเลยนะถ้าเห็นส้มนะเออเนี่ยสีส้มนะแต่ถ้าไปเอาสีอย่างอื่นมานะสีนั้นสีอะไรตอบไม่ไดเ้เรื่องสีนี่โง่ที่สุดเลยตกนสอบตกตั้งกั่ต้นเลยนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมันเป็นอารมณ์ของจักคูวิญญาณอย่างนั้นเถอะคนตามไม่บอดมองเห็นหมดแหละเว้นแต่บอดสีนะ เพราะฉะนั้นสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นน่ะเพราะว่ารูปายตนะแม้ว่าแตกต่างกันตามความแตกต่างกันแห่งสีมีสีเขียวเป็นต้นก็หาล่วงพ้นความเป็นสันนิทศนะไปได้ไหมฉันใดนะสรุปอีกครั้งก็คือสีจะวิจิตพิสดารขนาดไหนก็เป็นอารมณ์ของจิตเห็นเท่านั้นแหละนะเป็นอารมณ์ของจิตเห็นเท่านั้นเองสีละนะที่กล่าวไว้โดยเกี่ยวกับความ ตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นและเกี่ยวกับเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนี้ใดศีละณนะนั่นแหละเป็นลักษณะของศีลแม้ที่แตกต่างกันโดยอเนกประการตามความแตกต่า ง, าาางกันแห่งธรรมมีเจตนาเป็นต้นเพราะศีนแม้ว่าแตกต่างกันาตามความต่างกันแห่งธรรมมีเจตนาเป็นต้น ก็หาล่วงพลภาวะคือความตั้งไว้ด้วยดีและความเป็นที่ตั้งไปไม่ได้ฉะ น, นั้นอัน น, นก็คือศีลเนี่ยนะโอ้ยจะพูดว่าเจตนาก่อศีลเจตสิกก่อศีลสังวรก่อศีลอวีติกมะก่อศีลถึงจะพูดไปขนาดไหนขยายไปให้ละเอียดมันนะโอ้ยอารมณ์ในโลกนี้เป็นอารมณ์ของศีลกระจายตัวศีลไปให้พิจิตวิจิตพิจิตกับวิจิตนี่อันเดียวกันนะ พิจิตเนี่ยวเวนเป็นพอพานนะวิจิตพิสดารขนาดไหนก็ช่างเถอะก็คือสีละณะเท่านั้นเองสีละณะคือตั้งไว้ด้วยดีกับเป็นที่รองรับผู้ทธรรมชั้นสูงก็มีอยู่เท่านั้นแหละเหมือนสีนั่นแหละท่านอุปมาตรงนี้นะโอ้เข้าใจง่ายไหมอุปมาของท่านนะสรุปนะเจตสีทั้งหมด มีสีรณ ะ, ะเป็นลักษณะหรือเป็นอาถาัอาถาะอัฐะกับลักษณะไม่ต่างกันนะต่อไปรัศรัศเลยว่าส่วนว่าภาวะที่ย่ำยีย่ำยีก็คือกำจัดความเป็นคนทุศีนเสียได้อันหนึ่งคุณคือความเป็นธรรมะที่หาข้อติเตียนคือมีคุณหาโทษไม่ได้ท่านกล่าวว่าเป็นเป็นรัศศคือเป็นรถ โดยอดถาว่าเป็นกิจและเป็นสมบัติของศีลที่มีลักษณะอย่างนี้นั้นเนี่ย น, นะศีลที่มีศีละนะเป็นลักษณะเนี่ยนะศีละนะคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะหน้าที่ของเขาเป็นยังไงหน้าที่ของศีลละนะหรือกิจของศีละนะกิจเนี่ยนะกิจเนี่ยแปลว่าหน้าที่หน้าที่ของเขากำจัดความเป็นคนทุศีน ถ้ามีศีลแล้วก็ไม่ทุศีลเนี่ยนะเพราะหน้าที่ของศีลคือกําจัดความทุศีลเพราะนิิตของเขามีเท่านั้นแหละส่วนสัมปัติสมบัติเนี่ยนะแปลว่าความถึงพร้อมความถึงพร้อมแห่งศีลเนี่ยนะความถึงพร้อมแห่งศีลก็คือเป็นธรรมะที่หาโทษไม่ได้หาโทษคือติเตียนไม่ได้เห็นนะก็บอกว่ามีคุณอันใครๆติเตียนไม่ได้เป็นสมบัติ คือถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้อันใครๆไม่ติเตียนหรือถึงพร้อมด้วยความเป็นฝ่ายที่หาโทษไม่ได้ไม่มีโทษไม่มีใครตําหนิไม่มีใครติเตียนได้อาบฑิตนะบฑิตนะไม่ใช่ว่าเอาคนโง่เป็นประมาณไม่ได้ใช่ไหมแต่คนโง่เนี่ยชอบประชมนะถ้าชังก็แช่งอะ่ะแค่นั้นแหละคนคนคนพาณิ่ะนะเอาเอาเขาเอ า, เอาตรงนั้นเขาเป็นประมาณเอาความชอบความชังเขาเป็นประมาณ แต่ตัวคุณธรรมคือศีลจริงๆเนี่ยนะตัวตัวศีลเนี่ยไม่มีโทษหรอกแล้วก็ถ้าหากว่าคนดีๆจริงๆเขาจะไม่ตําหนินะบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะไม่ตําหนิกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้คําว่ารัศหรือรสตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่รัายตนะนะไม่ใช่รัายตนะซึ่งเป็นอารมณ์ของชิวหาวิญญาณเนี่ยนะรัศยตนะเป็นอารมณ์ของชิวหาวิญญาณแต่ตรงนี้ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นคำว่ารถในที่นี้รัศะีหมายถึงกิจและสัมปตินั่นเองสมบัตินะ น, นะเพราะฉะนั้นกิจของศีลก็คือกําจัดความเป็นคนทุศีลในในกิจของเขาศีลเนี่ยถึงพร้อมด้วยธรรมะคือความหาโทษไม่ได้นะเป็นคนที่หาโทษไม่ได้บาลีใช้คำว่าอนวัชคุโนนะคุณที่หาโทษไม่ได้ เพราะฉะนั้นชื่อว่าศีลนี้พึงทราบว่ามีการย่ายีย่ำยีก็แปลว่ากาจัดนั่นนะความเป็นคนทุศีลเป็นรัศดโดยรัศดที่มีความหมายว่ากิจคือกิจกาจัดความเป็นคนทุศีลมีความเป็นธรรมะที่หาข้อติเตียนไม่ได้เป็นรัศดโดยรัศดที่มีความหมายว่าสัมปติหรือสมบัติเพราะว่าในอาการทั้งหลายมีลักษณะเป็นต้น กิจนั่นเองชื่อว่าสมบัติท่านเรียกว่ารส น, น, นะนะกิจจะสัมปตินั่นแหละคือรัศษะไม่ใช่รัายตนะอย่างนั้นเถอะได้เลยนะศีลมีลักษณะเป็นศีละนะศีละนะเป็นลักษณะของศีนกิจของศีนก็คือกําจัดความทุศีและติเตียนไม่ได้ทีนี้มาดูอาการปรากฏหรือว่าปัจจุปฐาน ศีลนี้นั้นวินยูชนกล่าวว่ามีความสะอาดเป็นปัจจุปฐานนะมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏปัจจุปฐานแปลว่าอาการที่ปรากฏหรือผลนั่นเองศีลนี้ย่อมปรากฏโดยความเป็นธรรมชาติสะอาดกายเป็นต้นนะนะก็ดูนะว่าใครเป็นคนมีศีลก็ดูกายกรรมของเขาสะอาดไหมนะนะวักรรมของเขาเนี่ยสะอาดไหมนั่นแหละนะสังเกตจากพฤติกรรมและคาพูด นั่นแหละว่าเขาเป็นคนสะอาดขนาดไหนถ้าเป็นคนสะอาดเนี่ยนะเรียกว่าคนมีศีลจะปรากฏตรงนั้ น, นโสจยะเนี่ยแปลว่าสะอาดแล้วก็มีฮิริโอตปะนั่นเทียวเป็นปทัทฐานมีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ปทัทฐานเนี่ยแปลว่าเหตุใกล้นะถ้าไม่มีฮิริโอตปะก็ศีลไม่มีฮิรินี้แปลว่าความละอายต่อความชั่วทางกาย ความละอายต่อความชั่วทางวาจาความละอายต่อบาปอกุศลธรรมเรียกว่าฮิริส่วนโอตปะนั้นเป็นชื่อของความเกรงกลัวต่อความชั่วทางกายความเกรงกลัวต่อความชั่วทางวาจาความเกรงกลัวต่อความชั่วทางความชั่วหรือเกรงกลัวต่ออกุศลธรรมทุกชนิดอันนี้เรียกว่าโอตปะเพราะฉะนั้นคนที่มีหิริมีโอตปะนั่นแหละจึงเป็นคนที่มี มศีลเพราะว่าฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลสังเกตดูนะถ้าเป็นคนไม่อายชั่วกลัวต่อบาปขณะนั้นไม่ใช่ศีลแน่นอนอันนคือที่ที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยนะเราจะได้ไม่เข้าใจว่าเรามีศีลทั้งวันไงอันนขณะง่วงศีลเกิดไหมทีนะาแทรกนั้นไม่ใช่ศีลแล้วนะโกรธก็ไม่ใช่ศีลโลภก็ไม่ใช่ศีลโกรธก็ไม่ใช่ศีลอิจฉาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ศีลมัจฉริยะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ศีลอะนนอกุศลวิตกเกิดขึ้นไม่ใช่ศีลส สรุปแล้วอาคุศลไม่ใช่ศีลไม่ใช่ศีลที่เป็นไปที่ศีลที่เป็นวิสุทธิมรรคนะแต่ก็เป็นอาคุสนแลศีลอาคุสนแลศีลแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องเจริญหรอกเพราะมีปกติเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องปฏิบัตินะนะเพราะว่าปฏิบัติยังไงก็ไม่ได้บรร ล, ล, ลุมรรคนิพพานถ้าหากว่าบรรลุมรรคนิพพานเพราะอากุศลศีลเนี่ยน ะ, ะหาดูอาคุศลไหนไม่เคยทําไว้บ้างอดีตชาติพระโมกขาลานะท่านยังเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่เลย เพราะฉะนั้นอักขระสาวกระดับนั้นอดีตชาติยังเคยประมาทพลาดพลั้งทำชั่วนหนักขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นกรรมในอดีตชาติสังสารวัตรอันหาประมาณไม่ได้อะไรบัางที่ไม่เคยทำนะเว้นแต่โสดาปฏิมร์เท่านั้นแหละไม่เคยทําอ่ะถ้า ถ, ถ, ถ้าโสดาปฏิมร์ทำมาแล้วนะโอ้วันนี้ไม่ได้มาคุยกันนะไปดีกันหมดแล้วนะสุขโตกันหมดแล้วแต่นี้ไม่ใช่นะคือไ อ, ไอ้ส่วนโลกิยะเนี่ยนะทำไม่หมดแล้วละ่ะเพราะฉะนั้น พอได้ปัจจัยปั๊บโกรธทันทีเลยเพราะมันสะสมมาช้ำนิช้ำนาญคล่องแคล่วว่องไวได้ปัจจัยปั๊บโลภะทันทีเลยได้ปัจจัยเนี่ยโมหะเกิดเป็นปกติได้ปัจจัยอิสามัชเชริยะกุกุจฐีนมิทะแทรกทันทีเลยเพราะฉะนั้นฮิริโอตปะเนี่ยเป็นเหตุใกล้ที่สําคัญต่อศีลมอบพยายามแยกแยะนะว่ากุศลศีลนั้นต้องต้องไม่มีโทษต้องเป็นกุศลอย่างเดียว จรงอยู่ศีล น, นี้นั้นมีความสะอาดที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าความสะอาดกายเนี่ยนะกายโสเจยังเนี่ยนะความสะอาดกายวจีโสเจยังความสะอาดวาจามโนเสจยะนีโสจยันติเนี่ยนะความสะอาดทางใจดังนี้เป็นปัจจุปัฏฐานคือปัจจุปัฏฐานก็คืออาการปรากฏนะคือย่อมปรากฏ คือถึงภาวะที่พึงถือเอาโดยความเป็นธรรมชาติสะอาดนะคนสะอาดนั่นแหละจึงเป็นคนมีมีศีลอาการของศีลที่ปรากฏออกมาคือความสะอาดกายวาจาและใจส่วนฮิริโอตตะวินยูชนกล่าวว่าผู้รู้นะผู้รู้ท่านกล่าวว่าเป็นปฏ ฐ, ฐานคือเหตุใกล้ของศีลนั้นความว่าเป็นเหตุใกล้ จริงอยู่เมื่อมีหิริและโอต ป, ปะศีนจึงเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ทีเดียวนะถ้ามีหิริมีโอต ป, ปะศีนก็เกิดขึ้นเขาบอกว่าศีนเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอำนาจอะไรมีหิริโอต ป, ปะทำให้เกิดการสมาทานใช่ไหมสมมติถ้าหากว่าเราเห็นคนเขาทำชั่วพูดชั่วทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะสมาทานทันทีเราจะไม่ทำแบบนั้น อ, อันนั้นแหละเป็นกุศลศีลตั้งขึ้นทัน ท, ทีเลย เราเห็นเขาพูดชั่ว เ, เราจะไม่พูดแบบนี้นะเราเห็นเขาทําชั่วกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บคิดเลยว่าเราจะต้องไม่ทําแบบนี้หรือทําชั่วยังใดอย่างหนึ่งปุ๊บเราจะไม่ทําแบบนี้อีกต่อไปออลักษณะนั้นแหละศีลเกิดขึ้นเพราะการสมาทานเนี่ยนะฮิริโอตปาเนี่ยเป็นเหตุให้ศีลอันนั้นตั้งขึ้นได้แล้วก็ศีลเนี่ยจะตั้งอยู่ได้ก็โดยอาศัยการไม่ก้าวล่วง ศีลเกิดขึ้นเพราะการสมาทานศีลตั้งอยู่ได้เพราะไม่ก้าวล่วงเมื่อไม่มีก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อฮิริโอตาปะไม่มีศีลก็ไม่มีนะเมื่อหิริโอตาปะไม่มีศีลก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยชะนี้แหละคำว่างั้นนี่ดีกาท่านอธิบายน่าน่าสนใจมากท่านบอกว่าปัทวีธาตุมีกรรมเป็นต้นเป็นเหตุไกล คือปัทวีธาตุในกายของเราเนี่ยนะปัทวีธาตุคือธาตุดินที่มีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่ยนะอ่าพวกนี้เรียกว่าปัทวีธาตุที่มีอยู่ในภายในกายนี่อ่าปัทวีธาตุอันนี้นะโดยไกลไกลแล้วเหตุไกลอ่ะนะก็คือกรรมเป็นต้นนะ น, นะถ้าไม่มีกรรมแล้วปัทวีธาตุเหล่านี้จะไม่เกิดเลยอันนี้เหตุไกล แต่ว่ามหาพูธที่เหลือสามเตโชวาโยอาโปเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของปฐวีธาตุอันนี้นะก็ต้องดูว่าเหตุใกล้หรือเหตุไกลถ้าเหตุไกลคือกรรมตัญหาอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุไกลเหตุใกล้คือมหาภูตรูปสามที่ติดติดกันนั่นแหละเป็นเหตุใกล้หรือผ้าผ้าของเราที่นุ่งห่มเนี่ยนะมีอะไรเป็นเหตุไกลรู้ไหม ผ้าที่นุ่งผมมีอะไรเป็นเหตุใกล้เหตุไกลเออใส่เสื้อผ้าอยู่ทุกวันเนี่ยรู้เปล่าอะไรเป็นเหตุใกล้เหตุไกลเอาเหตุไกลก่อนนะเขาบอกว่าช่างหูกกระสวยฟืมแล้วก็ซี่ฟืมเป็นต้นเป็นเหตุไกลสรุปว่าโรงงานนั่นแหละเป็นเหตุไกลของเสื้อผ้านี้เออแล้วเหตุไกล้อะเหตุไกลของเสื้อผ้าเคยคิดด้วอะไรไอเส้นได้อ่ะ เส้นได้ทั้งหมดที่มามาต่อต่อต่อนั่นแหละคือเหตุใกล้ของผ้านะถ้าไม่มีเส้นได้แล้วนั้นจะเป็นผ้าหรือเปล่าเนาะไม่เป็นแต่ถ้าไม่มีโรงงานผลิตเหตุไกลอันนั้นเสื้อผ้าอันนี้ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มนะเหตุไกลคือโรงงานนั่นแหละรวมทั้งเบ็ดเสร็จทั้งหมดอนะที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอ่ะเหตุใกล้ก็คือเส้นได้อ่ะที่มาสานสานสานนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของผ้าทีนี้ศี ศีลก็มีการฟังธรรมเป็นต้นเป็นเหตุใกล้เอ่อเหตุไกลเพราะได้ฟังเพราะได้คบสัตว์บุรุษเพราะโยนิโสเป็นต้นหน้าที่มันอยู่ใกล้ๆเนะเป็นเป็นเหตุไกลคําว่างันมีฮิริโอตตะเป็นเหตุใกล้เหมือนกับพลทวีธาหรือเหมือนกับผ้าอย่างนั้นแหละนะก็ต้องแยกแยะเหตุใกล้และเหตุไกลแต่ถ้าไม่มีเหตุไกลเหตุใกล้มีได้ไหมไม่มีนะแต่ว่าเหตุไกลก็คือการฟังธรรมะ การทรงจำธรรมะเป็นต้นนั่นเองเป็นเหตุใกล้ฮิริโอต ป, ปะอายชั่วกลัวบาปในขณะนั้ น, น, นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลเพราะฉะนั้นตอบได้สบายมากเลยว่าศีลมีอะไรเป็นลักษณะศีรษะนะเป็นลักษณะของศีลศีลมีอะไรเป็นกิจกิจจศีลมีการกําจัดความทุศีลเป็นกิจจมีอะไรเป็นสัมปติ สมบบสมบัติเนี่ยนะมีการมีคุณที่หาโทษไม่ได้เป็นสมบัติหรือว่าไม่ติเตียนอะ่ะติเตียนไม่ได้นั่นเองหรือไม่มีใครติเตียนนั่นแหละเป็นสมบัติมีความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจเป็นอาการปรากฏเป็นผลเนี่ยนะผลของศีลก็ต้องมีความสะอาดกายสะอาดวาจาและใจเป็นเป็นลักษณะมีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้